เครื่องช่วยหายใจศูนย์เลยไอ้ข้าวแบเป็นเลขศูนท่านก็คงจะทราวบว่าหลวงพ่อมาถึงแล้วท่านก็เลยไปก็คล้ายๆว่าไปแบบหันหลังวไวๆแค่ยอย่างงั้นแหะไม่รู้ไปที่ไหนหลวงพ่อขึ้นไปโอ้เพิ่งไปเดี๋ยวนี้เองครับหลวงพ่อนะ